วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นวันหยุดทำงานของท่านทั้งหลายจึงได้มีเวลาว่างที่จะมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการสร้างเสริมสติปัญญาบารณีให้แก่ก็เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็ไม่มีปัญญาทางใดนอกจากปัญญาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่จะสามารถใช้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ปัญญาทางโลกปัญญาที่เราเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นไม่ได้เป็นปัญญาความรู้ที่จะนำมาใช้ดับความทุกข์ใจได้นอกจากไม่ได้ดับความทุกข์ใจ อาจจะเป็นช่วยส่งเสริมให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปอีก<ม>พวกเราที่ศึกษาเร่มเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆจบจากระดับการศึกษาระดับต่างๆ<ม>แต่ไม่มีใครที่สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้มานี้ มากำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เลยความทุกข์ต่างๆที่เรามีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าศึกษาตามสถาบันต่างๆก็ยังมีอยู่ภายในใจของพวกเราอยู่ดังนั้นถ้าจะเรียกว่าความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ปลอมก็ได้ความรู้ที่ไม่สามารถนำเอามาทำประโยชน์ ให้กับการกําจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ความรู้ทางโลกนี้กําจัดได้ก็คือความทุกข์ทางร่างกายถ้าเรามีวิชาวความรู้เราก็สามารถที่จะไปหางานทําได้มีรายได้อามาจุนเจือร่างกายได้มาเลี้ยงดูร่างกายได้แต่ เราไม่สามารถเอาความรู้ที่เราเรียนรู้จากสถาบันต่างๆมากําจัดความทุกข์ใจของเราได้ความทุกข์ใจของเรานี้จะหมดสิ้นไปได้ต้องเกิดจากการมาเรียนรู้ความรู้ทางธรรมความรู้ที่เราจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือจากพระอริยสงสาววกของพระพุทธเจ้านี่แหละคือแหล่งความรู้ที่แท้จริงแหล่งความรู้ที่จะทำให้เราสามารถนำมาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้นั้นนี่คือความสำคัญของพระรัตนตรยัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านเปลียบว่าเป็นเหมือนลัตตนะรัตตนานี้แปลว่าอัญญมณีอันล้าค่าพระลัตตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่ล้าค่ายิ่งกว่าอัญญมณีทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะอัญญมณีต่างๆ ต่อให้มีมากเท่าไหร่เพียงไรก็ตามต่อให้มีเพชรพลอยเงินทองกองเท่าภูเขาแต่พชพลอยเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้ <Yeah. S 1> กลับจะมาเพิ่มความทุกข์ใจให้กับเรามากขึ้นไปเสียอีกเพราะเราจะต้องมาทุกกับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติต่างๆ ที่เราหามาได้ทรัพสมบัติที่หามาได้นี้มีประโยชน์เพียงสำหรับร่างกายเท่านั้นคือช่วยทำให้เรานี้มีปัจจัยสี่ที่สมบูรณ์คือมีที่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่ อ, อาศัยมียารักษาโรคเท่านั้นเองช่วยดับความทุกข์ที่เกิดจากทางร่างกายได้ แต่ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้แต่พระรัตนตรัยนี้สามารถดับความทุกข์ทางใจได้จึงถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าวิเศษกว่าอัญญามณีทั้งหลายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบความวิเศษความคุณค่าของพาษาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เลยเอาอัญญามณีคือรัตนนี้ ที่เราถือว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดในโลกนี้มาเปรียบเทียบถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่อันมหาศาลของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พอถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราสามารถที่จะเข้าหาเพื่อศึกษาหาความรู้คือปัญญาเพื่อที่จะได้นำมามาใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจของพวกเราได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะเข้าหายึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจก็คือพระรัตนตรัยนี่เองพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมหรือพระสง คอยเป็นผู้สั่งสอนเราเราก็จะมีความรู้ที่จะสามารถใช้ในการดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ <Yeah. S 1> ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จากพวกเราไปแล้วแต่พระองค์ได้ทรงมอบตัวแทนไว้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอง และพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาจนสำเร็จขั้นปัญญาของพระพุทธศาสนาสามารถดับความทุกข์ใจของตนเองได้แล้วก็สามารถนำเามาสั่งสอนให้ผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้หลุดพ้นได้ ดัง น, นั้นเราถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะศรีระร่างกายของท่านนั้นได้กลับคืนสู่สภาพเดิมการกลับคืนสู่ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟไปแล้วแต่องค์ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่ต่อไปอยู่ในพระธรรมคําสอนอยู่ในพระอริยสงสาวกถ้าเรายึด พระธรรมคำสอนยึดพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความรู้กับเรา<ม>เราก็ยังถือว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>เป็นที่พึ่งของเราอยู่ ม, มีพระรัตนตรัที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเรา นี่คือความหมายของพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราที่พึ่งทางใจของพวกเรานี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมาคอยปัดเป่าภัยอันตรายต่างๆอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านทาไม่ได้โดยเฉพาะภัยอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายนี้เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของธรรมชาติถ้าเรามาเกิดในโลกนี้แล้วพอมีร่างกายแล้วร่างกายของเราก็จะต้องระจนกับภัยต่างๆภัยทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวไฟไหม อันนี้ก็เป็นเรื่องภัยทางธรรมชาติภัยทางเชื้อโรคต่างๆก็มีเชื้อโรคระบาดอยู่เรื่อยๆมาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยมีเชื้อโรคระบาดถ้าไม่มีวิธีป้องกันหรือกาจัดก็อาจจะถึงแก่ความตายได้แล้วก็ภัยที่เกิดจากอุบัติภยัยต่างๆ เดินไปอาจจะสะดุดล้มศีรษะฟาดพาื้นถึงแก่ความตายหรือทำให้เป็นอมภพกรรมาพาดไป mm hmm. เดินทางโดยรถยนต์รถไฟเรือบินหรืออะไร mm hmm. ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติภัยได้ <Yeah. S 1> ภัยเหล่านี้นั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะมา ป้องกันคุ้มครองเราได้เพราะั้นการที่เราห้อยพระนี้ไม่ได้หมายความว่าเราห้อยไว้เพื่อป้องกันภัย mm hmm. แต่มีไว้เพื่อให้เรามีสติเราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น mm hmm. นี่คือความหมายถ้าเราห้อยพระไว้ mm hmm. พระนี้มีไวให้เราเราเลิกถึงเราเลิกถึงคาสั่งคาสอน mm hmm. เพราะว่าถ้าเรา เราเลิกถึงคำสั่งคำสอนได้และปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนได้เราจะป้องกันภัยที่มาคุกคามทางใจได้อันนี้พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ท่านช่วยเราได้ในทางด้านจิตใจแต่ก็ช่วยได้เพียงเครื่องเดียวคือช่วยบอกให้เราให้รู้ว่าภัยทางจิตใจมาได้อย่างไรและจะป้องกันไม่ภัยทางจิตใจ เข้ามาคุกคามจิตใจได้อย่างไร <Yeah. S 1> แต่เราเนั่นแหละจะต้องเป็นผู้ป้องกันภัยที่จะเข้ามาคุกคามทางจิตใจด้วยตัวของเราเอง yeah. <Yeah. S 2> พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้สอนผู้บอก <Yeah. S 2> พวกเราเป็นผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติ yeah. <Yeah. S 2> เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหลัง <Yeah. S 2> จากที่เราได้ศึกษาแล้ว <Yeah. S 2> เราก็จะได้รู้ว่า พระพุทธเจ้านั้นสงสอนให้พวกเราทำอะไรกันเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องทำตามถ้าเราทำตามได้แล้วเราก็จะปลอดภัยจากทุกที่จะเข้ามาคุก ค, คามทางจิตใจจิตใจนี้จะอยู่ปราศจากทุกได้ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอย สอนคอยบอกวิธีการป้องกันแล้วเราก็กระทาตามวิธีเหล่านั้นพอเรากระทาแล้วทุกภัยต่างๆที่เคยเข้ามาในใจของเราก็จะหยุดเข้ามาอย่าไม่เข้ามาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้ต่อไปอันนี้คือพระรัตนตรัยสรณะที่พึ่งทางใจ คุ้มครองจิตใจนะไม่ได้คุ้มครองร่างกายไม่ได้คุ้มครองทรัพสมบัติต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลรักษากันเองไปตามอัตภาพตามความสามารถและตามบุญตามกรรมเพราะว่ามีเหตุปัจจัยหลายชนิดด้วยกันที่จะทำให้เกิดภัยต่างๆ กับร่างกายของเรากับทรัพย์สินสมบัติของเราบางส่วนเราก็สามารถที่จะป้องกันได้แต่บางส่วนเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ถ้ามันถึงเวลาที่มันจะต้องเป็นไปก็ต้องเป็นไปเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้มแม้แต่ร่างกายของพวกเราก็เป็นสมบัติที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันดูแลได้ ได้ตลอดเวลาต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่อาจจะไม่สามารถป้องกันดูแลได้โรคภัยไข้เจ็บเขาก็พยายามที่จะบุกรุกร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาเราก็พยายามที่จะรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่ตลอดเวลาแต่ทาอย่างไรไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วย และในที่สุดก็จะต้องเจอความตายด้วยกันทุกคนดังนั้นเรื่องเหล่านี้เรื่องของร่างกายนี้เราอย่าไปกังวลมากเกินไปเราต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจ <Yeah. S 1> ความเป็นจริงของมันเพราะการไม่เข้าใจความเป็นจริงของร่างกายและของสิ่งต่างๆในโลกนี้นะ่ะที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายกันทำให้ใจของเราทุกข์กันแต่ yeah. ถ้าเราเข้าใจถึงความ ความคุณสมบัติของสิ่งต่างๆว่าเป็นอย่างไรว่าอะไรจะต้องเกิดกับสิ่งต่างๆและไม่มีใครหรือเราที่จะไปห้ามมันได้ไปเปลี่ยนมันได้เราก็จะได้ไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเราจะไม่ต่อต้านความจริงเราจะยินดีรับความจริง ตามความเป็นจริงของเขา <Yeah. S 2> นี่คือสิ่งที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนานี้เข้าหาความรู้ <Yeah. S 2> ความรู้ที่จะนำให้เราได้ไปใช้ต่อไปเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้นำออกไปใช้เมื่อเรานำออกไปใช้แล้วเราก็จะได้ผลประโยชน์ yeah. ความรู้ทางศาสนาพุทธนี่ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคนี่ยารักษาโรคนี้เราก็ต้องไปรับจากหมอหรือไปซื้อที่ร้านขายยาซื้อมาแล้วเราก็ต้องนำมามารับประทานถ้าซื้อมาแล้วลืมรับประทานไม่ได้รับประทานยายาก็ไม่สามารถทาหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ เราจึงมักจะไม่ลืมเวลาเราไปหาหมอเวาหาหมอเสร็จหมอก็สั่งยาให้ว่าต้องกินยาช น, นิดนี้วันละสามครั้งสี่ครั้งก่อนนอนหรือหลังอาหารเป็นต้นเราก็จดจํากันไว้แล้วพอถึงเวลาเราก็รับประทานยาเหล่านั้นพอเรารับประทานยายาเข้าไปในร่างกายยาก็เริ่มทําหน้าที่ของยาได้ ถ้ายาอยู่นอกร่างกายต่อให้เป็นยาวิเศษขนาดไหนยาก็ไม่สามารถที่จะไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ยาต้องเข้าไปในร่างกายเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วทีนี้ยาก็จะได้ทำหน้าที่ของยาได้พอยาทำหน้าที่โครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ภายในร่างกายก็จะค่อยหายไปและหมดไปได้ถ้าเป็นยาที่ถูกกับโรค นี่ธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคของใจใจเราก็เป็นเหมือนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้โรคของเจ็บไข้ได้ป่วยของใจเราก็เรียกว่าความทุกข์ใจนี่เองเช่นความกังวลความวิตกความห่วงใ ย, ยความหวาดกลัวความเสียใจความเครียด อะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ใจที่เราจะต้องมียารับประทานถ้ามียาที่ถูกกับโรคโรคเหล่านี้ก็จะหายไปได้ไม่มียาชนิดใดในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาโรคใจได้เหมือนกับยาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้หรือคำสั่งคำสอน ว่าเป็นเหมือนยาเป็นธรรมโอสถธรรมโอสถธรรมก็คือคำสอนคำสอนที่เป็นยารักษาโรคของใจให้หายไป <Yeah. S 1> การที่เราจะเอายามารลักษาโรคให้หายได้เราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาในใจของเรา <Yeah. S 1> ตอนนี้ยาอันวิเศษนี้อยู่ข้างนอกใจของเรา อยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะของพระอริยสงสาวงทั้งหลายหรืออยู่ในใจของท่านที่ท่านเวลาแสดงธรรมท่านก็เอาออกมามอบให้กับเราอย่างตอนนี้ก็เหมือนกับท่านกาลังมาราับยาของพระพุทธเจ้าเพราะว่ากำลังฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปนี้เราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง <Yeah. S 1> เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอายานี้เข้าไปในใจของเรา <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าเราไม่เอาเข้าไปในใจมันก็ยังทำหน้าที่รักษาโรคของใจไม่ได้ วิธีที่เราเข้าไปในใจนี่ทำอย่างไรก็คือต้องเอามาจดจำนั่นเองเราต้องมาจดจำมาทำการบ้านกันเหมือนไปโรงเรียนนี้เราก็ไปเรียนหนังสือเรากลับบ้านอาจารย์ครูเราจะลืมสิ่งที่เราเรียนในวันนั้นอาจารย์ก็เลยฝากการบ้านมาให้กลับไปทำใหม่ให้กลับไปทำการบ้านพอเรากลับไปทำการบ้านเราก็ต้องทบทวนความรู้ ที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ในวันนั้นเพราะเราจะสามารถทำการบ้านได้ต่อเมื่อเราเอาความรู้ที่อาจารย์สอนเราในวันนั้นมาให้เราทำกันนั่นเองดะงนั้นหลังจากที่เรารับยาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆการพิจารณาอยู่เนืองๆทบทวนอยู่เรื่อยๆ ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทาอะไรกันบ้างเมื่อเราเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมอันนี้ก็เป็นขั้นที่สองพอมันไม่ลืมแล้วทีนี้พอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาภายในใจความรู้ที่เราได้ทบทวนนี้ถ้ามันยังถ้ามันอยู่ในใจมันก็จะมาทำหน้าที่รักษาโลกของความทุกข์ใจได้เลย แต่ถ้ามันหายไปก็สแสดงว่าเราไม่ได้ทบทวนอยู่เรื่อยๆเรายังเราไม่ได้กินยาอยู่เรื่อยๆนั่นเองยานี้ไม่ใช่กินเม็ดเดียวครั้งเดียวแล้วโรค ก, ก็จะหายบอกให้ยามาทีทั้งถุงเนี่ยยี่สิบเม็ดสามสิบเม็ดแล้วต้องบอกกินให้หมดนะแต่ต้องไม่ใช่กินทีเดียวครั้งเดียวหมดนะเดี๋ยวจะตายเพราะยาต้องกินตามตาม ตามที่หมอสั่งวันละสามสี่ครั้งเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมโอสจนของพระพุทธเจ้านี้คือปัญญานี้ก็มีแบ่งไว้สามระดับเหมือนกันสามขั้นตอนระดับแรกนี้ก็เป็นการไปรับยาเรียกว่าสุตะมัยะปัญญาสุตะนี้แปลว่าการฟังพระสูตรคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้านี้แบ่งไว้เป็นสูตรๆทรงแสดงธรรมครั้งหนึ่งก็เรียกว่าพระสูตรหนึ่งเช่นเวลาที่แสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงธรรมจากกับประวัตนาสูตรคำว่าสูตรนี้ก็เป็นเหมือนกับบทเรียนบทหนึ่งเราก็ไปฟังธรรมแต่ละครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเราไปไปรับคําสอนของพระพุทธเจ้ามา มาเพื่อที่เราจะได้เอาไปทําการบ้านต่อเพ<ม>ราะหลังจากที่ฟังแล้วเราก็ต้องเอาไปพิจารณาทบทวนว่าวันนี้ได้ยินได้ฟังธรรมมามีอะไรบ้างที่เราควรจะจดควรจะจําไว้เช่นวันนี้เรามาได้ได้ยินได้ฟังเรื่องพร ะ, พ ร, ะรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>ว่าเป็นแหล่งของความรู้ในการที่เราจะใช้ในการดับความทุกข์ใจต่างๆ อันนี้เราก็ต้องคอยทบทวนอย่าให้ลืมเพราะต่อไปถ้าเกิดเรามีความทุกข์ใจถ้าเรายังไม่มีความรู้ในใจเราเราก็ต้องไปหาความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอ่านหนังสือธรรมะไปฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไปคุยกับพระอริยสงสารุปกูปไดรูปหนึ่งแล้วก็ขอความรู้จากท่านว่าตอนนี้มีความทุกข์ใจเหลือเกิน ทำอย่างไรถึงจะให้ความทุกข์ใจนี้หมดไปได้ท่านก็จะให้ยากับเรามาให้ธรรมะโอสถสอนธรรมะให้กับเราแล้วเราก็ต้องนำเอาธรรมะที่ท่านสอนนี้เอาไปรับประทานเอาไปปฏิบัติเอาเข้าไปในใจของเราจึงต้องมีขั้นที่สองและขั้นที่สามเพื่อที่จะสามารถเอาปัญญาความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ มาดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ตอนที่เรายังไม่มีความทุกข์ใจนี้เราก็ต้องเตรียมยาไว้ก่อนเหมือนที่บ้านเราทุกคนนี้คงจะมียากันสำรองกันไว้ก่อนเผื่อเกิดมีโครคภัยไข้เจ็บกระทนหันเกิดปวดท้องปวดศีรษะเป็นอะไรขึ้นมากระทำหันหมีแผลมีอะไรเราก็จะมียาไว้ใช้ได้ทันที เราก็ต้องเตรียมยากันไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นมาเมื่อใดนั่นเองถ้าไม่เตรียมยาไว้เดี๋ยวเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถจะมียามาแก้ได้ทันทันท่วงทีก็ต้องไปโรงพยาบาลซึ่งอาจจะไปไม่ทันก็ได้ไปแล้วอาจจะไปไม่ถึงก็ได้เพะฉนั้นเราก็ต้องเตรียมยาไว้ก่อนธรรมโอษฐคือปัญญาเราก็ต้องเตรียมเอาไว้ในใจเรา ด้วยการพิจารณาอยู่เนืองเนือง <Yeah. S 1> อันนี้เรียกว่าปัญญาขั้นที่สอง <Yeah. S 1> ขั้นที่หนึ่งคือไปรับยา <Yeah. S 1> ไปฟังเทศฟังธรรม <Yeah. S 1> ไปอ่านหนังสือธรรมะต่างๆ <Yeah. S 1> พอเราได้ความรู้ที่เราได้ได้ยินได้ฟังมาแล้ว <Yeah. S 1> เราก็เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆมาคิดอยู่เรื่อยๆถึงคำสอนที่เราได้ยินมาว่าจะดับความทุกข์ใจนี้ดับได้อย่างไรบ้าง yeah. พระพุทธเจ้าก็สอนเนี่ยทุกๆพระองค์สอนเหมือนกันหมดวิธีดับความทุกข์ใจนี่มีอยู่สขั้นสวิธีด้วยกันหรือสามขั้นตอนด้วยกันถึงจะสามารถดับความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปได้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทําบาปทั้งปวงเพราะการกระทําบาปนี้จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเราพูดปดนี้เราก็จะไม่สบายใจ เวลาเรารักทรัพย์ของผู้เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือละเว้นจากการกระทําบาปซึ่งในทางาศาสนานี้ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันอการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการดื่มสลายาเมาเพราะเมื่อดื่มสลายาเมาก็จะขาดสติ ก็จะไม่สามารถควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาทางใจได้ถ้าคิดจะพูดไม่ดีก็จะพูดออกมาจะทำไม่ดีก็จะทำทำทันทีแล้วก็จะทาให้เกิดความเสียหายทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นอันนี้ก็เลยต้องห้ามไม่ให้เดื่ดรุอให้มีสติต้องมีสติรู้สามารถควบคุมกายวาจาใจของเราได้ พอรู้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ก็ต้องหยุดรู้ว่าจะไปรักทรัพย์ก็ต้องหยุดรู้ว่าจะต้องประพฤติผิดประเวณีก็ต้องหยุดพอรู้ว่าจะโกหกก็ต้องหยุดอย่างนี้ต้องมีสติต้องไม่มึนเมาอ่านี่คือเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์กันคือการกระทำบาสนี่เองงั้นถ้าเราละเว้นจากการกระทำบาปได้คือรักษาศีลได้ สมาทานศีลห้าแล้วก็รักษาไปตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับบางคนนี่มาสมาทานศีลตอนก่อนจะนอนแต่พอตื่นขึ้นมาก็ไม่รักษาไม่มีประโยชน์ถ้ารักษาศีลแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราจะทาอะไรเราก็ต้องทำตอนที่เราตื่นตอนที่เราหลับนี้เราไม่ต้องสมาทานศีลไม่จำเป็นเพราะเวลาเราหลับนี้เราจะไม่ไปทำบาปอยู่แล้ว เราสมาทานศีลเพื่อที่ป้องกันการกระทมของเราในขณะที่เราตื่น <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ในขณะที่เราตื่นเราต้องควบคุมกายวาจาใจของเราให้อยู่ในกรอบของศีลห้าให้ได้เพราะถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาป ก, ก็จะหายไปส่วนหนึ่ง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แต่ยังมีความทุกข์ใจอีกหลายอีกสองส่วนที่ยังมีอยู่ภายในใจของเราอยู่ ความทุกข์ใจหรือไม่สบายใจของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราไม่มีความสุขบางทีเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำบาปก็ตามไม่มีความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทาบาปแต่ก็ยังรู้สึกไม่มีความสุขก็เป็นความทุกข์อีกแบบนึงถ้าอยากจะมีความสุขพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปทำทากุศลต่างๆบุญกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม ไปทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานไปเนี่ยบุญในศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่สิบประการด้วยกันบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลอนนี้เรามีแล้วบุญที่เกิดจากการภาวนาเรายังไม่มีบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเวลาใครทําบุ ญ, บญแล้วก็ให้เราอนุโมทนาเราก็อนุโมทนาคือสนับสนุนเขายินดี อันนี้ต้องมีเหตุไม่ใช่อยู่ดีๆคนไปทาบุญกลับมาแล้วบอกว่าฉันได้ทาบุญแล้วเราก็อนุโมทนาอนุโมทนาแบบนี้มันไม่ได้มีผลอะไรมากนักต่อจิตใจของเราอนุโมทนาในลักษณะนี้หมายถึงว่าเวล า, าคนที่เขาทำงานกับเราเช่นลูกจ้างเราเขาขอลาไปทาบุญอย่างนี้เราก็อยินดีอนุโมทนาอนุญาตให้เขาไปทาบุญได้ ถึงแม้ว่าเราจะขาดคนทํางานไปคนหนึ่งแต่เมื่อเขาอยากเขามีความจําเป็นจะต้องไปทําบุญเช่นะจะไปงานศพงานงานบวชหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาอยากจะไปทําบุญเราเป็นเจ้านายเขาถ้าเราไม่อนุญาตเขาก็ไปไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตอย่างนี้เรียกว่าไม่อนุโมทนาบุญ แต่ถ้าหลาอนุญาตเออดีไปทําบุญไม่เป็นไรงานที่นี่พักไว้ก่อนวันหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้อันนี้ต่างหากถึงจะเรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญญาโยมส่วนใหญ่เขไม่เข้าใจกันเรื่องอนุโมทนาบุญคิดว่าเวลาเราไปทําบุญแล้วต้องกลับมาประกาศบอกชาวบ้านเขาว่าเ อ, อวันนี้ได้ไปทําบุญที่นั่นที่นี่นะช่วยอนุโมทนาบุญหน่อยนะอันนี้ไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกัน เราบอกคนที่เกี่ยวข้องกับเราคนที่เราจำเป็นจะต้องบอก mm. เพราะว่าเขาเป็นผู้มี mm. มีมีส่วนในการที่เราจะได้ทำบุญหรือไม่เช่น mm. เจ้านายของเรานี่อย่างทางราชการนี้ประเทศไทยนี้เป็นเมืองพุทธทางราชการก็เลยมีการอนุโมทนาบุญให้ข้าราชการลาบวชได้สามเดือน mm. นี่ก็เป็นการอนุโมทนาบุญของรัฐบาล อนุญาตให้ข้าราชการนี้ลาบวตได้สมเดือนแล้วก็ไม่ตัดเงินเดือนด้วยให้ได้รับเงินเดือนด้วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญคือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการจะทำบุญได้ทำบุญตามความปรารถนาขอให้เราเข้าใจไว้เพราะญาติโยมบางคนไม่เข้าใจรี่ว่าต้องประกาศคนนั้นบอกคนนี้ โทรไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกนะ้าวันันนี้ได้ไปทำบุญแล้วขอให้อขออนุโมทนาเขาจะได้บุญด้วยไม่เกี่ยวกันบุญแบบนี้มันไม่ได้อะไรมากมายเพราะการจะได้บุญนี้จะต้องมีการเสียเสียผลประโยชน์เป็นเจ้านายต้องเสียผลประโยชน์เสียงเงินเดือนแต่ไม่ได้งานถึงจะเรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญที่ถูกต้อง แต่ถ้าจะจะบอกจะเล่าให้คนฟังก็ได้ถ้าเขาถามว่าวันนี้ไปไหนเขาวันนี้ไปวดัดไปทําบุญแล้วถ้าเขาบอกเออสาธุก็ก็ปล่อยเขาสาธุไปอันนี้แต่ความจริงเขาก็ไม่ได้บุญอะไรมากมายเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีการเสียสละอะไรจากการทําบุญของเรานอกจากว่าเขาอยากจะร่วมบุญด้วยขอร่วมบุญหน่อยวันนี้ฉันไม่มีโอกาสไปทําบุญเอ ขอแบ่งบุญได้ไหมเขาก็ให้เงินที่เราส่วนหนึ่งที่เราไปใช้กับการทําบุญให้กับเราถ้าเราอยากให้เขาได้บุญเราก็รับเงินส่วนนั้นไปแต่เราก็เสียบุญส่วนนั้นไปด้วยเพราะเราได้เงินคืนมาแต่เราก็ร่วมมาให้เขาได้มีโอกาสได้ทําบุญแล้วมันต้องมีการเสียการได้ถึงจะเรียกว่าถึงเป็นบุญขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีๆพูดลอยๆ อ, อย่างนี้มันไม่ค่อยได้บุญอะไรมันต้องมีการเสีย การทาทานวันนี้จะถวายสังฆทานแต่ไม่ได้ถวายอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญเป็นการพูดเฉยๆนี่บุญไม่เกิดมันต้องเกิดการมีการเสียสละถึงจะเกิดบุญขึ้นมาบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจนั่นเองจากนั้นวันไหนถ้าเราไม่ไม่มีความสุขใจอย่าไปเที่ยวเพราะการไปหาความสุขแบบนั้นเป็นความสุขแบบยาเสพติดเที่ยวแล้วก็ติด แล้วพอไม่ได้เที่ยวมันก็จะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเอาไปทำบุญนี้เราจะมีความสุขใจแล้วความอยากเที่ยวมันก็ไม่มีแล้ววันไหนไม่ได้เที่ยวก็ไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดอยู่บ้านเฉยๆได้อ่านี่คือการทำบุญต่างๆถ้าเราไม่มีความสุขอยู่บ้านเฉยๆเยบือ่ออยากจะหาความสุขอยาไปหาความสุขจาก การไปเที่ยวจากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยจากการไปเดืม่มไปรับประทานอาหารที่ยังไม่ใช่เวลาที่ควรจะรับประทานเพราะการกระทำเหล่านี้มันเป็นการสร้างความทุกข์มากกว่าสร้างความสุขเพราะมันจะเป็นเหมือนติดยาเสพติดแล้วพอเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์นั่นเองให้ให้หาความสุขจากการทำบุญด้วยวิธีการต่างๆ อย่างที่พระพุทธเจ้าสงสอนไว้ฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ได้บุญอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรถึงเวลาเปิดเทปเปิดเปิดอะไรฟังไปฟังแล้วใจก็จะมีความสุขจากการได้ฟังธรรมหรือว่าจากการไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้รับชื้รับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นบางทีคนแก่อยากจะไปวัดไปเองไม่ได้เราก็อาสาสมัครพาท่านไปอย่างนี้ อันนี้เราก็ได้บุญจะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมานั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามทำบุญต่างๆเพื่อจะได้กำจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากการไม่มีความสุขใจ <c oughs> เวลาเราไม่มีความสุขใจเราก็จะรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมานทั้งทั้งที่เราไม่ได้ทำบาป ก, ก็ตามเช่นตอนนี้เราอาจจะถูกให้ต้องอยู่ในอยู่บ้านไปข้างนอกไม่ได้ เคยไปหาความสุขจากนอกบ้านไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงได้แต่ตอนนี้ไปไม่ได้เราก็จะรู้สึกไม่มีความสุขใจเราก็หาอะไรทำที่ทำให้เรามีความสุขใจได้ทำบุญทาทานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนอกบ้านก็ได้โอนเงินผ่านทางบัญชีก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือข้อที่สองของการที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่มีความทุกข์ใจ ต่นไหนเราอยู่เฉยๆรู้สึกหงหุดหงิดรำคาญใจไปทำบุญดีกว่าฟังเทศฟังธรรมดีกว่าหรือนั่งสมาธิดีกว่าอะไรเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะทำให้เราอันี้มีความสุขขึ้นมาได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีความสุขได้จากการไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่ยังมีความทุกข์อีกอันหนึ่งที่มันยังเกิดขึ้นอยู่ในใจเราอยู่เรื่อย ถึงแม้ว่าเราจะรักษาศีลแล้วถึงแม้เราจะทำบุญแล้วเราก็ยังมีความทุกข์อยู่กับบางเรื่องบางสิ่งเช่นเรื่องอะไรนะก็เรื่องร่างกายของเราเนะี่เราก็ต้องทุกข์กับมันอยู่เรื่อยๆกังวลกับความเป็นอยู่ความเป็นไปของร่างกายกังวลกับความแก่ที่จะตามมากังวลกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกังวลกับความตายที่จะตามมา เราก็ยังความทุกข์เหล่านี้รักษาสิ่งนี้ก็ดับไม่ได้ทําบุญก็ดับไม่ได้อันนี้ต้องใช้การปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่าภาวนามีสองขั้นก็คือสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาถ้าเราปฏิบัติได้นี่ถ้าขั้นที่หนึ่งเราปฏิบัติได้เราก็จะร ะ, ะงับความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาที่เราทําใจให้สงบนี้ สมถตภาวนาแปลว่าทำใจให้สงบพอใจสงบความทุกข์ความกังวลเกี่ยวกับร่างกายก็จะหายไปชั่วคราวเพราะเราหยุดคิดนั่นเองแต่พอเราก็ออกจากสมาธิมาถ้าเรามาเริ่มคิดใหม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใหม่ความไม่สบายใจก็ตามมาถ้าเราได้ขั้นที่หนึ่งคือสมถตภาวนาแล้ว เราก็ต้องไปที่ขั้นที่สองคือไปดับความทุกข์อย่างถาวรด้วยการใช้ปัญญาปัญญาก็คือสอนให้เราเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นคนธรรมดาสามัญคนรวยหรือคนจนร่างกายของทุกคนเหมือนกันหมดคือไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมีการจเจริญก่อนจเจริญแล้วก็เริ่มเสื่อมเสื่อมแล้วก็จะดับในที่สุดก็ต้องตายร่างกายตอนเกิดมาออกมาจากท้องแม่ ก, ก็จเจริญเติบโตจากทารกเป็นเด็กจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเริ่มเป็นผู้สูงอายุเป็นคนชราแล้วก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วในที่สุดมันก็ต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครแม้แต่ของพระพุทธเจ้าที่เราคิดว่าเป็นผู้วิเศษแต่ร่างกายของท่านก็ไม่ได้วิเศษอะไรร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็เป็นเหมือนร่างกายของพวกเราอันนี้แต่ใจของท่านนี้ไม่ทุกข์กับร่างกายของท่านเพราะท่านมีปัญญาท่านศึกษาเห็นความจริงสองประการคือหนึ่งไม่เที่ยง มันต้องเป็นอย่างนี้สองไม่ใช่ตัวเราท่านสามารถแยกแยะตัวของท่านออกจากร่างกายได้ตัวของท่านนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความรู้ความคิดที่ไม่ใช่เป็นร่างกายท่านก็สามารถที่จะแยกแยะใจออกจากร่างกายได้รู้ว่าเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้ใจไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกาย เวลาร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟใจก็ใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ารูปใดองค์ใดก็ตามถ้าเวลาท่านมาตัดสรู้ในโลกนี้แล้วท่านก็จะค้นพบความจริงของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร แล้วท่านก็จะรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ทั้งสามชนิดนี้ได้ดกความทุกข์ด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงัวพร้อมทำบุญทากุศลตามตามโอกาสตามเวลาตามตามความสามารถเวลาไหนทำบุญแบบไหนได้ก็ทำไปไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองทำบุญทาทานอย่างเดียว ไปเป็นจิตอาสาก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานให้กับวัดทำงานกับองค์กรสาธารนะณะกุศลต่างๆก็ได้โดยไม่รับเงินเดือนไม่รับค่าจ้างทำเพื่อให้เกิดความสุขใจเกิดความเกิดบุญเกิดความอิ่มใจขึ้นมาแล้วก็ถ้าสามารถทำได้ขั้นต่อไปก็ไปหาที่สงบแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเจริญ จิตตภาวนาถ้าต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ส่วนที่เหลืออยู่ให้หมดไปเรากำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปได้ด้วยการรักษาศีลกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีความสุขได้ด้วยการทำบุญชนิดต่างๆแล้วเราก็ต้องมากำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายของเรา ด้วยการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราเจริญได้เราก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับการไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราได้เพราะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเราเป็นเหมือนแฝดสยามเนี่างกายเป็นแฝดน้องเราเป็นแฝดพี่ เราเป็นผู้ที่คอยสั่งร่างกายนี้ให้ทำอะไรต่างๆร่างกายนี้ต้องรอรับคำสั่งจากเราอยากจะมาที่นี่ได้เราก็ต้องคิดก่อนคิดว่าเดี๋ยววันนี้ว่างไปวัดดีกว่าไปฟังเทศฟังธรรมไปทาบุญไปปฏิบัติธรรมพอเราคิดแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาได้เนี่ยเราผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งนี้เป็นคนละคนกันแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมเราก็จะเหมาว่าเป็นคนเดียวกัน เราจะบอกว่าผู้สั่งนี้คือสมองสมองที่อยู่ในร่างกายเราพวกหมอทั้งหลายพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนี่เขาคิดว่าผู้คิดผู้สั่งนี้คือสมองผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆพอร่างกายตายไปผู้สั่งผู้คิดผู้รับคำสั่งก็ตายไปพร้อมๆกันหมดแต่ทางศาสนานี้สำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาผู้ที่ได้ ป, ปฏิบัติสมถะ ภ, ภวาวนานี้ จะเห็นอีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่าผู้คิดผู้รู้นี้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นวัตถุเหมือนกับนี่กล้องถ่ายรูปก็โทรศัพท์มือถือนี่เป็นวัตถุ<ก>เขาสามารถทำหน้าที่ของเขาได้เช่นกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายภาพได้เครื่องบันทึกเสียงก็บันทึกเสียงได้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายภาพอะไรเขาบันทึกเสียงอะไร ผู้ที่ใช้โทรศัพท์นี้ต่างหากเป็นผู้รู้รู้ว่ากำลังถ่ายภาพอะไรกาลังบันทึกเสียงอะไรอยู่อย่างในร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือนี่เป็นผู้รับภาพต่างๆเข้ามาทางตารับเสียงต่างๆเข้ามาทางหูเป็นผู้ที่รับกลิ่นเข้ามาทางจมูกรับรสเข้ามาทางลิ้นและรับสัมผัสร้อนเย็นผ่านมาทางร่างกาย อันนี้แต่ไม่รู้ตัวตัวผู้รับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่ารับอะไรตาไม่รู้ว่าเห็นอะไรเสียงหูไม่รู้ว่าได้ยินอะไรลิ้นไม่รู้ว่าได้ริมลิ้นอะไรจมูกไม่รู้ว่าได้ดมกลิ่นอะไรผู้รู้นี้คือใจที่เป็นเป็นผู้ที่คอยสั่งการให้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆแต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย เราเลยไม่รู้ว่ามีใจเราก็เลยไปเหมาว่าใจนี้อยู่ในสมองเป็นสมองไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี้เราจะแยกใจออกจากร่างกายได้ mm hmm. เวลาจิตสงบนี้ร่างกายจะแยกออกจากใจไปร่างกายที่เคยอยู่ในความรู้สึกของใจจะหายไปชั่วคราวเพราะใจถอนการไปเกาะติดกับร่างกายเนี่ย ใจนี้มาเกาะติดกับร่างกายด้วยสายวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเรานั่งสมาธิเราเหมือนจะถอดปลั๊กออกจากร่างกายใจนี้จะถอดถอดวิญญาณออกจากตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อให้เข้าไปรวมตัวอยู่ข้างในอยู่ในใจให้สงบอันนี้พอใจสงบปั๊บก็จะเห็นว่าร่างกายกับใจนี้แยกกันไปคนละส่วน อันนี้ต้องเห็นจากการปฏิบัติเท่านั้นถึงแม้จะได้ยินได้ฟังก็ยังไม่ยังไม่เห็นเหมือนคนตาที่ที่ปิดตาไว้ต่อจะให้เล่าว่าภาพเป็นอย่างไงสีแดงเป็นอย่างไงสีเขียวเป็นยังไงเล่ายัางไงมันก็ไม่เหมือนกับเห็นด้วยกับตาดั <S <S ะนั้นถ้าอยากจะเห็นความจริงเหล่านี้เราต้องมาปฏิบัติจิตตภาวนากันมาเรมาหัดทําใจให้สงบมา แยะให้เห็นจริงๆว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอ่านกันผู้รู้ไปอย่างหนึ่งร่างกายผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนี้เป็นอีกอย่างเมื่อเห็นแล้วเราก็จะได้เอามาสอนใจเวลาที่เรากลับมารวมกับใจกลับมารวมกับร่างกายเวลาออกจากสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิเราแยกใจออกจากร่างกายชั่วคราว พอเรากลับมาออกจากสมาธิเราก็ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายไหม่มารับลูกเสียง ก, กลิ่นรสผดทพะใหม่ตอนนั้นล่ะเราต้องไปเจริญวิปัสสนาปัญญาต่อไปคอยสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายนะเราเป็นผู้คอยผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายนี้สักวันหนึ่งเขาจะต้องแก่นะเขาจะต้องเจ็บเขาจะต้องตาย แล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนต้นไม้เนี่ยเราปลูกต้นไม้ไว้เราก็มีหน้าที่เพียงแต่ลดน้ำพรนดินให้กับเขาไปส่วนเขาจะอยู่ได้นานไม่นานนี้ก็อยู่ที่ธรรมชาติอยู่ที่อะไรเหตุปัจจัยเอ่ยร่างกายของเราก็เหมือนกันเราก็มีหน้าที่ให้อาหารดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสี่ไปแต่เขาจะอยู่ได้นานไม่นานอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ปัจจัยทางธรรมชาติปัจจัยทางโรคภัยไข้เจ็บปัจจัยทางบุคคลปัจจัยจากอุบัติภัยอะไรต่างๆเหล่านี้และปัจจัยจากเวรกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตมันก็มีส่วนที่จะทําให้ร่างกายนี้มีอันเป็นไปได้ไม่ช้าก็เร็วแต่ข้อสําคัญขอให้เรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่เรา แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนี้เราจะคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็จะเป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่เราก็จะแก่กับร่างกายแต่ความจริงใจเราไม่ได้แก่บางคนนี่ร่างกายแก่แต่ใจยังเป็นเหมือนหนุ่มเหมือนสาวอยู่กระปี้กระเป๋าความรู้ความคิดยังเหมือนเดิมยความรู้ความคิดไม่ได้ช้าลงไปเหมือนกับร่างกาย ร่างกายเวลาแก่นี้จะทำอะไรรู้สึกมันช่วงช้าลงไปเรื่อยๆแต่ความคิดนี้มันไม่ช่วงช้าไปตามความแก่ของร่างกายไม่ยังคิดได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะงั้นมันไม่แก่มันเป็นคนละคนกันอันนี้ละคือสิ่งที่เราจะต้องสอนใจเวลาที่เราออกออกจากสมาธิมาแล้วเรามาขูกติดอยู่กับร่างกายเวลาทาอะไรก็คอยสอนอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายนะถ้ามันมีอะไรเป็นไปก็ปล่อยมันไปนะ ถ้าไม่ปล่อยเราจะทุกข์เนี่ยทุกข์เกิดจากการเราไม่ยอมปล่อยพยายามที่จะรั้งมันไว้พยายามที่จะให้มันเป็นไปตามความอยากของเราอยากให้มันดีอยากจะให้มันแข็งแรงอยากจะให้มันสมบูรณ์อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ถึงเวลาวันใดวันหนึ่งมันจะไปนี่เราห้ามมันไม่ได้แล้วถ้าเราไปพยายามไปยืมมันไปเหนี่ยวรั้งมันไว้อันนั้นแหละความทุกข์ถึงจะเกิดขึ้นมา หรือไปกังวลกับมันตั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดกังวลโอ๊ยเดี๋ยวเราต้องแก่เดี๋ยวเราต้องเจ็บเดี๋ยวเราต้องตายอย่างนี้ก็ทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาได้เราต้องบอกว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายนี่ไม่ใช่เรารูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตารูปก็คือร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นเราเลิอกคอิดเรื่อยๆว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพลาดจากกาันเป็นธรรมดาอันนี้เพื่อเตือนใจสอนใจไม่ให้ลืมไม่ให้ไปยึดติด เพราะถ้ายึดติดแล้วเวลาเกิดเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดภาคจากกันขึ้นมานี้จะทุกข์มากแต่ถ้าคอยเตือนใจไม่ให้หลงให้เหลืมนี้ใจก็พยายามเตรียมตัวเตรียมใจ ว, ว่าต่อไปเราจะต้องอยู่คนเดียวนะต่อไปเราจะต้องไม่มีร่างกายต่อไปเราจะไม่มีคนนั้นคนนี้นี่แต่เรานี่เราไม่ตายไปกับร่างกายเราสามารถอยู่ได้ด้วยบุญของเราเนี่ยใจนี้สามารถอยู่ด้วยบุญ อยู่ด้วยความดีที่เราทำไว้อยู่กับความสงบถ้าเรามีถ้าเรามีสมาธินี้ใจเราอยู่ในในสมาธิได้มีความสุขได้โดยต้องไม่โดยไม่ต้องมีร่างกา ย, ยานั้นเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธินั่นแหละเป็นเวลาที่เราเจริญปัญญาคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเวลาปฏิบัติธรรมเวลาจิตสงบแล้วเขาจะเจริญปัญญาอันนั้นไม่ใช่ เ, เวลา เวลานั้นให้ใจแยกออกจากร่างกายนานๆจะได้ไม่หลงไม่ลืมจะได้เห็นชัดๆว่าตอนนี้ใจอยู่ตามลำพังใจไม่มีร่างกายนะตอนนั้นอย่ายกความคิดขึ้นมาพิจารณาให้ใจกับร่างกายแยกออกจากกันนานๆแล้วเวลาออกจากสมาธิมาถึงจะเจริญปัญญาถึงจะคอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ทํา ม, มาจากดินน้ํำลมไฟเป็นต้นนสอนอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงให้ลืมพอเวลาอะไรเราเริ่มทุกข์กับใจปั๊บนี้แสดงว่าเราเราเผลอละเราลืมละพอเราเริ่มกังวลกับเรื่องของร่างกายขึ้นมาเมื่อไหร่นี้แสดงว่าเราขาดปัญญาแล้วนั้นพอเราทุกข์กับร่างกายปั๊บนี้พอเริ่มมีการรู้สึกปวดท้องขึ้นมานี้ทุกข์ขึ้นมาละเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่า อันนี้ก็บอกเป็นก็เป็นสิมันต้องเป็นบอกองั้นใช่มเราเราเราศึกษามาเราท่องมาอยู่ตลอดว่าเราล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เป็นธรรมดาอา้าวถึงเวลามันจะมาแล้วก็จะก็ได้บอกเป็นก็เป็นรักษาได้ก็รักษาไปไม่ได้ห้ามถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่มันก็เป็นของที่มีประโยชน์ มืนรถยนต์เนี่ยรถยนต์เสียเราก็เราก็ไปซ่อมมันได้ซ่อมได้ก็ซ่อมไปร่างกายนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปหาหมอได้รักษาพยาบาลได้ถึงแม้เราจะปล่อยวางว่ามันไม่ใช่เป็นเราของเราก็ต่างแต่เมื่อมันยังอยู่กับเราอยู่มันก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องดูแลมันไปตามอัตภาพตามความสามารถของเราอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลส บางคนไม่เข้าใจคิดว่าร่างกายเป็นอะไรรักษาไม่ได้ถ้ารักษาถือว่ายึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ใช่หรอกอั้นพระพุทธเจ้าจะมีหมอชีวกมาเป็นหมอได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ยังรักษาร่างกายของท่านอยู่เวลาที่ร่างกายท่านเป็นอะไรแต่ใจฉันไม่ได้ไปยึดติดกับร่างกายคือพร้อมให้มันตายตอนนั้นเลยถ้าเกิดหมอชีวกบอกรักษาไม่ได้อ่ไมรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาตายก็ปล่อยมันตายไปแต่ถ้ายังรักษาได้รักษาไป ทำไมรักษาทำไมท่านถึงต้องรักษาเพราะท่านยังมีหน้าที่ทำหน้าที่มาสั่งสอนพวกเราอยู่นั่นเองเพราะถ้าท่าไม่มีร่างกายแล้วท่านก็สอนธรรมะให้กับพวกเราไม่ได้พระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ทำหน้าที่สอนพวกเราทุกวันนะสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่หลังจากที่ท่านตัดสรตวแล้วท่านมีพุทธกิจอยู่ห้าข้อดยกันมีภารกิจอยู่5้าข้อประจำวัน4ข้อนี้เป็นการสอนคนอื่นเป็นการสั่งสอนธรรมะ เช่นตอนบ่ายท่านสอนคารวะญาติโยมตอนค่ำสอนพระภิกษุภิกษุณีตอนเด็กสอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะออกบินทบาตรก็เลงยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ไปบินทบาตรบินทบาตรก็เพื่อไปเลี้ยงร่างกายดูแลร่างกายทั้งเองแต่เรื่องใจของท่านนี้ท่านไม่ได้ต้องดูแลไม่ต้องทําอะไรต่อไปเพราะใจของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกข์ อย่างสิ้นเชิงดวงใจนี้ท่านไม่ต้องดูแลท่านดูแลร่างกายเพื่อประโยชน์ของคนอื่นประโยชน์ของท่านท่านได้ทำได้สมบูรณ์แล้วได้ครบแล้วคือประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางใจใจได้ดุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วแท่านด้วยความเมตตาเมื่อร่างกายมันยังใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอน ให้ผู้ที่ไม่รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้รู้จักและจะได้นํำอาไปปฏิบัติเพื่อทําให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้แหละพระเมตตาของพระเจ้ า, าเนี่ยทำให้มีคนบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ได้เพราะเวลาผ่านมาต้อง2500กว่าปีแนละ้ว <Yeah. S 1> มีมีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติ มีผู้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกมาทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในยุคสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพระอริยสงสาวกมีพระอรหันอยู่ส่วนหนึ่งที่เรารู้ได้เห็นได้ก็คือพระธาตุเนี่ยเวลาร่างกายของพระอรหรันเวลาท่านตายไปเวลาเผาศพเสร็จเก็บกระดูกก็ได้ก็จะเห็นว่ากระดูกบางส่วนนี้เป็นพระธาตุไปแล้ว นี่แหละคือทําไมพระพุทธเจ้ายังยังต้องต้องบินธบาตต้องเลี้ยงชีพต้องรักษาร่างกายอยู่แต่ท่านไม่ได้ทําเพื่อตัว ท, ท่านท่านทําเพื่อผู้อื่นเพราะท่านประโยชน์ของท่านท่านทําได้พร้อมแล้วแต่ประโยชน์เมื่อมีเวลาเหลืออยู่ก็มาทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเหน่วนในคําสอนที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ตอนก่อนที่จะจากเราไปเรียกว่าปัดฉิมโมวาดพระพุทธเจ้าทรงตัดว่า สันขานทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยงร่างกายนี้ไม่เทีย่ยงจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยการไม่ประมาทเถิดเราต้องยังประโยชน์ของตัวเราก่อนก่อนที่เราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เราต้องทำใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนเมื่อเราทำใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วเราก็จะได้รู้วิธีไปสอนผู้อื่นได้พอผู้อื่นได้ยินได้ฟังการสอนของเราเขาก็นำมาไปปฏิบัต ทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําให้กับพวกเราทําให้กับสัตว์โลกที่ยังต้องตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาศึกษาเอามาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนแล้วไม่ช้าก็เร็วใจของเราที่ทุกข์ที่วุ่นวายก็จะหายไปหมด แล้วเราก็จะได้สามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปผู้ที่ยังทุกข์อยู่การจะช่วยเหลือใครนี้ไม่มีการช่วยเหลือใดที่วิเศษเท่ากับช่วยให้คนพ้นทุกข์ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ทางใจพ้นทุกข์ทางร่างกายมันเป็นการพ้นทุกข์ชัว่วคราวช่วยเขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่ง น, นี้เขาก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้เงินหมดก็ทุกข์อีกอย่างตอนนี้รัฐบาลก็พยายามช่วยนะพยายาม มีการมาตรการแจกเงินแจกทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองไปซื้อข้าวกินซื้ออะไรใช้กันแต่เดี๋ยวงินหมดมันก็ยังทุกข์อยู่แต่ถ้าช่วยทางใจแล้วเนี่ยพอใจหายทุกข์แล้วนี่ใจจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปช่วยครั้งเดียวแล้วก็จบแต่ถ้าช่วยทางร่างกายนี้อาจจะต้องช่วยกันหลายครั้งหลายหนันั้นขอให้เรามุ่งไปที่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้มองข้ามการช่วยเหลือทางร่างกายการช่วยเหลือทางร่างกายช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเข้าสู่ความสิ้นสุดลงคือเข้าสู่ความตายนั่นเองต่อให้เราช่วยเลี้ยงดูกันมาดีขนาดไหนพอถึงเวลามันตายมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ใจมันไม่ตายใจยังทุกต่อไปถ้าเราไม่ช่วยทางใจ แต่ถ้าเราช่วยทางใจแล้วใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่คือหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่มาเผยแผ่คำสั่งคำสอนอันวิเศษของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเรานำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ทางใจทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปนี่ก็คือเรื่องราวของพระรัตนาตรัยอวามิเศษของพระรัตนาตรัยที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิติตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฌโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามมณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโวินาสตว์มัตภวะตวันตาไรายสุขีทีขายุโกภวาภิวาตนาสีฤิสานิจังวุธาปจายโน จตารูธรรมวาทานติอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญเข้ามาถามได้ในช่วงนี้เลยหรือว่าถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้าเข้าไปใน YouTube ได้หรือใน Facebook ได้ก็ส่งข้อความในนั้นก็ได้มีคนคอยดูอยู่แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกแล้วเพราะไม่สะดวกถามได้เฉพาะในเวลานี้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้าน ม, มีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา427 YouTube 270วิทยออนไลน์9รับฟังข้างหน้ากุฏิ139คนรวมทั้งหมด แปดร้อยสี่สิบห้าครับก็ใครอยากจะถามอะไรถ้าไม่มีก็เอา <c oughs> เอ า, เอาทางบ้านก่อนก็ไนดนะ้มีทางนี้เลย <c oughs> ไม่ม <c oughs> ีเช่นถามได้คำถามจากที่ข้างหน้ากุฏิมีสี่คำถามครับคำถามแรกความเชื่อเรื่องเวรกรรมนรกสวรรค์เป็นเรื่ององมงายหรือไม่ครับและจะสามารถ สอนเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าใจและเชื่อฟังได้อย่างไรครับเป็นความจริงและสามารถพิสูจน์เห็นได้เพราะว่าบุญหรือบาปนี้มันเป็นเรื่องก า, การกระทํำของเราทางกายวาจาและทางใจและผลของบุญก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราดังั้นเวลาเราทําบุญนี้เราจะเกิดความสุขใจเวลาเราทําบาปเราจะเกิดความทุกข์ใจ ความสุขใจนี้เราเรียกว่าสวรรค์ความทุกข์ใจเราเรียกว่านารกแล้วก็มันจะเป็นนรกเป็นสวรรค์หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเพราะว่าความสุขใจกับความทุกข์ใจนี้มันยังสะสมไว้ในใจของเราอยู่พอถึงเวลาที่ร่างกายเราตายไปใจของเราก็ต้องอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้ถ้าอย่างไหนแสดงผลมันก็เป็นสวรรค์ถ้าบุญแสดงผลก็เป็นสวรรค์ ถ้าบาปแสดงผลก็เป็นนรกนล้ว <c oughs> นี่เป็นความจริงที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ส่วนหนึ่ง <c oughs> คือเราเห็นได้การกระทาของเราเราเห็นเราเราทำบุญหรือทำบาปนี่แล้วเวลาทำเสร็จแล้วใจเรารู้สึกยังไงนี่เราเห็นได้แต่ส่วนที่เราไม่เห็นก็คือตอนที่เราตายไปแล้วแต่เราสามารถเห็นตัวอย่างของมันได้เวลาที่เราหลับเนี่ย เวลาเราหลับที่ถ้าบุญส่สงผลเราจะฝันดีนั่นแหละฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่ น, น, นี่ได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรไปพบแต่สิ่งที่ดีๆอันนั้นแหละคือตัวอย่างของสวรรค์เวลาที่เราไม่มีร่างกายในทางตรงกันข้ามถ้าบาปส่งผลเราจะฝันร้ายฝันว่าเราไปอยู่ในที่อดอยากขาดแคลนฝันว่าเราถูกคุก ค, คามด้วยภัยต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่าฝันร้าย อันนี้เป็นความจริงเรียกว่าฝันร้ายเรียกว่านรกฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ไอตัวนี้แหละจะเป็นเวลาที่ร่างกายเราไม่มีเวลาที่ร่างกายเราตายไปใจเราก็จะเป็นอย่างนี้จะอยู่กับความฝันดีแล้วกับความฝันร้ายจนกว่าเราจะไปเกิดใหม่พอเราได้ร่างกายใหม่พอคลอดออกจากท้องแม่เราก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทาบุญทาบาปใหม่ต่อไป คำถามที่สองครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายผลของกรรมที่บุคคลทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วอาจจะเป็นกรรมที่ทําในปัจจุบันหรืออดีตชาติครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ใจเราเป็นหลักส่วนที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี่ก็เป็นเป็นส่วนส่วนย่อยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เช่นเราทําความดีแล้วเราอาจจะไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับผลตอบแทนจากใครเลยก็ได้ เราทำเชื่ออาจจะไม่ถูกจับไปติดคุกติดตารางถูกคนประนามก็ได้เพราะเขาไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ส่วนเจ้ากรรมนายเวรก็อยู่ที่ว่าโอกาสมาเจอจ้าเอ๋กันหรือเปล่าถ้ามาจ้าเอ๋กันก็รู้ทันทีว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าไอ้คนนี้มันจะมีแต่หาเรื่องเราอยู่เรื่อยก็แสดงว่าชาติก่อนคงจะมีอะไรกันมาชาตินี้เรายังต้องมีเรื่องกันต่อ ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะไปเจอคู่บุญก็ได้เจอคนนี้เข้าเกามีแต่เขาดีกับเราช่วยหรือเราดูแลเราสงเคราะห์เราอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นคู่บุญคู่กรรมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้บางทีอาจจะไม่เกิดบางทีอาจจะเกิดก็ได้แล้วก็ผลดีเช่นได้รับการยกย่องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง น, นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะเกิดช้าหน่อยก็ได้อาจจะเกิดเร็วก็ได้ เช่นเดียวกับผลบาปทำไม่ดีอาจจะถูกเขาจับได้ก็ได้อาจจะถูกจับไปลงโทษอาจจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาจับเราไปลงโทษก็ได้อันนี้เป็นผลอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ไปไ ม, ไม่ไม่ต้องไปกังวลกับมันแต่สิ่งที่มันเห็นชัดก็คือความรู้สึกในใจเราเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีแลวจะสะสมไว้ใ น, ในใจเราเวลาเราหลับหรือเวลาเราตายมันก็จะแสะดงผลต่อไป คำถามที่สามมีคนบอกว่าถ้าถวายอาหารพระแล้วไม่ได้ถวายน้ำดื่มด้วยญาติผู้รับไปแล้วจะไม่มีน้ำดื่มถ้าอย่างนั้นทุกครั้งที่เราถวายอาหารหรือตัดบาตรเราต้องถวายน้ำดื่มหรือใส่ขวดน้ำลงไปในบาตรด้วยหรือไม่ครับไม่ต้องหรอกเราต้องดูความเหมาะสมการบิณฑบาตนี่ส่วนให ญ, ญ่เขาก็จะใส่พวกอาหารกับข้าวพวกน้านี่เขาไม่ถวายหรอก หอยนั่งขวดเดี๋ยวพรบเดินบินสบาตองเดียวเจอสักสองขวดก็ก็ต้องกลับวัดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> น้ําต้องดูการละเทศะตัวอาหารนี้มันเป็นเพียงตัวที่ทําให้เกิดบุญคือความสุขใจ <c oughs> เวลาเราอุทิศเราไม่ได้อุทิศอาหารเราไม่ได้เอาน้ําเอาข้าวส่งไปเราส่งความอิ่มใจไปเป็นตัวแทนได้เห็นเวลาเราทําบุญแล้วเราเกิดความอิ่มใจสุขใจอันนั้นแหละคือตัวที่เราส่งไป ดังนั้นไม่ต้องไปดูว่าจะต้องครบทั้งสี่อย่างบางคนก็ต้องครบทั้งน้ําทั้งอาหารทั้งยาทั้งจีวรทั้งผ้าทั้งอะไรไปมันทําไม่ได้หรอกมันต้องดูต่างวาระกันเวลาไหนคนจะทำอย่างไรถ้ามีการเรียลายกันช่วยสร้างโบสถ์สร้างกุฏิเราก็ร่วมไปถ้ามีการถวายผ้ากรถินเราก็ร่วมทําบุญกรถินไป อันนี้เราทําเลือกทําได้ถ้าน้ําวัดขาดแคลนไม่มีเงินจ่ายค่าน้ําปลาปลาเราก็ช่วยจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กับทางวัดเข้าไปอันนี้เราก็ทําแบบนี้ไปแต่เวลาบิณฑบาตอย่าไปเอาของหนักให้พระเลยต้องใช้เหตุผลดูวันก่อนมีใครถ่ายรูปใครถวายมะพร้าวไปปีอว้าพระอุ้มพระห้าหกลูปไปกับบาดแล้วจะไปรับอย่างอื่นได้ไงเออ ใส่ของที่ท่านเอาไปได้สายของที่ท่านใส่ในบาตรใส่ในย่มได้ก็พอส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวกับอาหารกับของข้าวของหวานในเท่านี้ส่วนน้ำนี่ที่วัดท่านก็มีอยู่แล้วถ้ากลัวท่านไม่มีก็ถวายปัจจัยไปแทนก็ได้ถ้ามีลูกศิษย์มาก็บอกว่าขอฝากเงินที่ซื้อน้ําถวายผ้าให้ด้วยถ้าท่านกาดแคลนน้าต้องใช้ปัญญานะทําบุญไม่งั้นผ้าตายนะบอสกานที่จะได้บุลกับได้บาปนะ คำถามที่สครับเคยได้ยินว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับอุปจารสมาธิถ้ามีนิสัยหรือวาสนาที่จะออกไปทางด้านอุปจารสมาธิให้ดึงกลับมาที่อปปนาสมาธิก่อนดึงให้กลับเข้ามาสักแต่ว่ารู้เฉยๆให้จิตเป็นหนึ่งไม่คิดปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้สงบในอุเบกขานา น, าน เพราะอุเบกขาคือกำลังที่จะหยุดกิเลสได้อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องอุปจาระนี่สําหรับคนที่สิ้นกิเลสแล้วสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เช่นพระพุทธเจ้าใช้อุปจาระสมาธิเวลาสแสดงธรรมให้กับเทวดาได้แต่ถ้าไม่มีเราไปติดอุปจาระไปติดในอภิญญาความสามารถพิเศษก็กลายเป็นกิเลสไปเพราะอภิญญาต่างๆไม่สามารถมาฆ่ากิเลสได้กลับกลายเป็น ผู้ไปรับใช้กิเลสแทนเป็นเครื่องมือของกิเลสแทนเพื่อมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้ต่อไปดังนั้นต้องระมัดระวังถ้าเกิดจิตเรามีวาสนาไปในทางอภิญญาถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมอย่าเพิ่งไปยุ่งเกี่ยวกับมันไว้ให้สําเร็จก่อนปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมสำเร็จแล้วกิเลสสิ้นแนละ้วทีนี้ก็สามารถเอาอภิญยามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ต่อไปคําถามจากคุณเจี๊ยบ ตอนนี้สติไม่ทันกิเลสโดยเฉพาะโทสะเลยเผลอโกรธทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องสร้างสติให้มันเร็วขึ้นด้วยการหมั่นจเจริญสติเช่นหมั่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธเวลาไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก็อย่าปล่อยให้คิดเพราะคิดมันจะคิดไปทางกิเลสดงั้นเราต้องคอยหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อไปความคิดทางกิเลสมันก็จะช้าลง พอมันโผล่ขึ้นมาเราก็จะรู้ทันแล้วก็จะหยุดมันได้คำถามจากคุณโซโลทุกวันนี้ผมนั่งสมาธิรู้สึกถึงร่างกายค่อยๆจางหายไปแล้วเหมือนถูกอะไรบางอย่างดูดร่างกายอยู่จนต้องลืมตาถอนออกจากสมาธิเป็นเช่นนี้แทบทุกครั้งครับล่าสุดยอมให้ร่างกายถูกดูดเข้าไปแล้วพบกับแสงที่สว่างมาก พุ่งเข้าปะทะที่ใบหน้าจึงสะดุ้งตกใจแล้วก็ถอนตัวออกจากสมาธิอยากจะทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับและควรปฏิบัติอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะเราไม่ได้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ทำใจให้สงบนั่นเองเราควรจะอยู่กับพุทโธพุทโธถ้าเราใช้พุทโธถ้าเราใช้ลมก็ควรจะอยู่กับลมอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเราไปตามแล้วเราก็จะไม่มีพุทโธไม่มีสติคอย ควบคุมใจของเราได้งั้นอย่าอย่าอย่าตามรู้เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในขณะที่นั่งในสมาธิให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณศีวิกาโยมดูลมไม่ได้ครับตอนเริ่มนั่งจะพุทธโธแต่พอจิตนิ่งพุทธโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจเบา แต่พอดูลมรู้ลมเข้าลมออกพุโทโธกลับมาอยู่อย่างนี้จะทำอย่างไรดีครับทําทไปเรื่อยๆแสดงว่าจิตยังไม่สงบพอดูลมได้ก็ดูไปดูไม่ได้ก็พุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเองยังไปไม่ถึงมันต้องทําต่อไปอย่าย่อท้อทําถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วถําอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมได้ก็อยู่ไป อย่าทิ้งคำถามจากคุณก้องการปฏิบัติธรรมจะข้ามขั้นตอนไม่ได้อย่างเช่นเป็นปุถุชนอยู่จะไปตัดกิเลสตัวอัตตาหรือกามคุณอย่างพระอนาคามีจะทาไม่ได้ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับก็เหมือนยังไม่จบปริญญาตรีจะไปเรียนปริญญาโทก็เรียนไม่ได้ต้องได้ตรีก่อนถึงจะไปขั้นโทได้ขั้นโทถึงจะไปขั้นเอกได้ ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนถ้ายังอยู่อนุบาลอยู่ก็ไปเข้าปถมไม่ได้ต้องจบอนุบาลก่อนถึงจะเข้าปถมจปะปถมถึงจะเข้ามัธยมมันเป็นขั้นเป็นตอนเพราะมันมีความยากง่ายต่างกันนั่นเองคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าสามีชอบไปหาหญิงอื่นบ่อยๆดิฉันให้อภัยแล้วต้องมีปัญญาอย่างไรถึงจะได้ไม่ทุกข์ทรมานทางใจเจ้าคะ่ะ รเราคิดว่าเขาเป็นหมาเขาแล้วกันเนี่ยหม า, ห, มาห้ามหมาไม่ได้มันหมาเดินก้าวเนี่ยมันก็เพ่นพ่านถ้าเราผูกมันไว้ในบ้านไม่ได้ขังมันไว้ไม่ได้ถ้ามันต้องออกไปเพ่นพ่านก็มันก็ต้องไปไปเสพกรารตามภาษาของหมานะคนที่ไม่มีคนที่รักษาศีลข้อสามไม่ได้ก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนี่ยหักห้ามจิตใจของตนเองไม่ได้พอเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเห็นใครรักเห็นใครชอบขึ้นมาก็ อยากตะไปเสกกามารวมกับเขาขึ้นมาเราก็ต้องทำใจว่าเราแต่งงานกับหมาก็แล้วกันถ้าไม่อยากจะแต่งงานกับหมาก็อย่าเลิกกันไปแล้วก็หาหาสามีที่เป็นคนคนที่รักษาศีลได้รักษาศีลข้อสามได้คำถามจากคุณพินพรถ้าเราเกิดความท้อใจน้อยเนื้อต่ำใจเราควรพิจารณาอย่างไร ไม่ให้หมดกําลังใจครับเเบื้องต้นคนจะหยุดคิดได้จะดีกว่าใช้พุทโธพุทโธให้ใจสงบก่อนพอใจสงบใจเป็นกลางแล้วค่อยมาสอนว่ามันเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราเองความจริงคนเรานี้มันก็เหมือนกันทั้งนั้นมีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงสลับกันไปเราต้องเรียนรู้ชีวิตว่ามัน เป็นอย่างนี้เวลาขึ้นก็อย่าไปพยองเวลาลงก็อย่าไปหดหูใจให้พยายามรักษาใจให้เป็นกลางไว้อยู่กับการขึ้นการลงของชีวิตเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้บางทีอยากจะให้มันขึ้นมันก็ไม่ขึ้นบางทีไม่อยากให้มันลงมันก็ลงมันลงก็รู้ว่ามันลงมันขึ้นก็รู้มันขึ้นแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ต้องไปมีความรู้สึก เศ้าใจเสียใจหรือดีใจไปกับมันดีกว่าคำถามจากผู้ฝากถามตัวรู้ของพระโสดาบันมีความแม่นยําไหมครับหรือเป็นตัวหลอกที่สังเกตดูรู้ว่ามีความแม่นยำแม่นยําพอสมควรเพิ่งเป็นครับไปถามคนเขาบอกว่าคุณเป็นพระโสดาบันครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นไม่ต้องบบอกให้คนอื่นเข้ามาบอกอเราหรอ เดี๋ยวจะเป็นบ้าเดี๋ยวก็บอกคุณเป็นบ้าคุณก็จะเชื่อเขาอีกนะพระสาวด้าบาณท่านจะรู้ตัวของท่านว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นเมื่อเราไม่รู้ก็แสดงว่าเราไม่เป็นงั้นะคนอื่นก็บอกก็อย่าไปบ้าจี้ตามเขาเมืนะ่อเราเองไม่รู้แล้วคนอื่นก็จะบารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมใจของเราเราเห็นเขาไม่เห็นใจของเราใช่ไนอกจากเขาเป็นพระพุทธเจ้าเนื้อเป็นพระอาหารหันต์ที่มีอภิน ญ, ญาก็ว่าไปอย่า คำถามจากคุณดาวเวลาที่นั่งสมาธิและเกิดอาการง่วงนอนครับจะแก้ไขอย่างไรขอความเมตตาชี้แนะด้วยครับลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนถ้านั่งแล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วถ้าอยากจะไม่ให้มีปัญหาอย่างนี้ก็กินอาหารให้น้อยลงกินมื้อเดียวหรือกินไม่กินหลังจากเชยงวันไปแล้วตําลดการบริโภคลงอาหารนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราง่วงนอนหรือถ้าลดอาหารไม่ได้ ก็หาที่มันน่ากลัวไปปฏิบัติก็ได้ถ้ามีป่าช้าใกล้บ้านก็ลองไปเดินในนั่งเป็นไงแถวป่าช้าดูหรือที่ถ้ามีวัดก็ไปนั่งที่เมนที่เขาเก็บศพดูที่ไม่มีคนไปถ้าอยู่ในที่หวาดกลัวหวาดเสียวแล้วมันจะไม่ค่อยง่วงนอนเท่าไหร่คำถามจากคุณมานีฝันเห็นวิ ญ, ญญาณมาขอส่วนบุญบ่อยมากๆครับ แล้วก็ทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเขาจะได้รับไหมครับก็ทําไปแล้วถามเขาดูเสรจคราวหน้าเวลาเข้ามาส่งไปแล้วได้รับหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไม่ถ้าคุยกันไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นความปรุงแต่งของจิตเราเองไม่ใช่เป็นของจริงถ้าเป็นของจริงต้องคุยกันได้คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทําไมมนุษย์ถึงอยู่คนเดียวหรืออยู่กับตัวเองแล้วเป็นทุกข์ครับ เาิเลสเพราะความอยากอยากมีเพื่อนอยากมีแฟนอยากหาความสุขจากเขาพออยู่คนเดียวมันก็เลยหาความสุขไม่ได้มันก็เหงามันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่สำหรับคนที่ตัดความอยากมีแฟนได้อยากหาความสุขจากคนอื่นได้หาความสุขจากการทาใจให้สงบได้ก็ไม่จะไม่ทุกข์อย่างพวกนักบวชนี่เขาก็อยู่คนเดียวได้เพราะเขาตัดความอยากที่จะอยู่กับแฟนอยากจะมีแฟนอยากจะหาความสุขจากแฟนได้ เขาก็เลยไม่เหงาเขาก็ไม่ทุกข์คำถามจากผู้ฝากถามเวลานั่งสมาธิพอเริ่มสงบแล้วเห็นร่างกายหลับเห็นร่างกายกลนแต่จิตก็รู้ว่าร่างกายมันกลนจะปฏิบัติอย่างไรต่อครับล <c oughs> ุกขึ้นมาจะปลุกร่างกายเึ้นมตอนนี้ไม่ใช่เวลาหลับเว้ย <c oughs> <c oughs> คำถามจากคุณกล้อง ถ้าเป็นปุถุชนอยู่เราควรจะมุ่งเน้นตัดสังโยชน์สามตัวแรกก่อนใช่ไหมครับเพื่อจะเพื่อจะให้การบรรลุธรรมเป็นไปได้เร็วขึ้นก็ต้องได้อปปนาสมาธิก่อนแต่ยังไม่ได้อปปนาสมาธิก็ตัดไม่ขาดนะ่างนั้นต้องมีอั ป, ปนาสมาธิถ้ายังไม่ได้อปปนาสมาธิก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนอมันมีขั้นตอนของมันไปจะก็จะสร้างสติได้ก็ต้องไปปลีกุ้เวกอยู่ตามวัดอยู่ในที่สงบ ถือศีลแปลแล้วก็ไม่ทํางานเอาเวลามาสร้างสติให้ได้คําถามจากคุณสมศักดิ์เวลาเดินจงกรมมืดๆคนเดียวในป่าบางครั้งเกิดความหวาดกลัวมีแนวทางแก้ไขความกลัวได้อย่างไรครับก็ใช้พุโทโธบริกรรมไปอย่าไปคิดคิดแล้วมันก็กลัวพอบริกรรมอยู่กับพุโทโธพุโทโธความคิดเกี่ยวกับเรื่องกลัวก็หายไปความกลัวก็หายไป หรือถ้าจะใช้ปัญญาก็พิจารณาร่างกายว่าไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้ามันจะตายตอนนี้ก็ให้มันตายไปโปรงตายไปเลยพอโปรงตายได้มันก็จะหายกลัวคำถามจากคุณเป้ตัวรู้กับสติคือตัวเดียวกันไหมครับไม่ตัวรู้นี่เป็นตัวที่สติเป็คอยดึงให้มารู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสติเป็นเหมือนเชือก ตัวรู้เป็นเหมือนกระจกหรือกล้องกล้องถ่ายรูปเนี่ยเราจะให้กล้องถ่ายรูปอันไเราต้องจับมันไปถ่ายตรงรูปที่เราต้องการถ้าเราไม่จับมันกล้องมันก็มันก็กเก็งไปเิ้งมาหมุนไปเมรุมาอะไรของมันใจก็เป็นผู้รู้ก็เหมือนกับกล้องที่จะให้มันรู้เรื่องใดก็ต้องใช้สติเป็นผู้ดึงให้มันรู้พุทโธก็ใช้บังคับให้มันอยู่กับพุทโธให้มันรู้ลมก็บังคับให้มันอยู่กับลมคําถามจะผู้ฝากถาม ขณะที่นั่งบริกรรมพุโทโธเกิดอาการโยกไปมาตามลมหายใจขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะว่าจะทาอย่างไรและต้องดูอย่างไรต่อไปครับแสดงว่าสติเริ่มเคลิ้มและสติเริ่มหายถ้าถ้าถ้าสติสมบูรณ์มันจะไม่โยกแต่พอมันเริ่มเคลิมไปกับกับอารมณ์ของการบริกรรมมันก็โยกไปโยกมาได้ดงนั้นต้องต้องปลุกให้มันเตื่นขึ้นมาให้เตื่ขึ้นเต่นขึ้น ให้อยู่กับสติให้มีสติสมบูรณ์อยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่าพุโทโธเป็นแบบแบบแบบเผอแบบพุโทโธไปในใจแต่ใจไม่ได้อยู่กับพุโทโธเองไคำถามจากคุณชานวัตการที่เราอยากเข้าถึงพระนิพพานถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่ครับถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลส แต่พอเราปฏิบัติถึงประตูนิพพานแล้วเราก็อย่าไปอยากเข้านิพพานเพราะมันจะขวางเราพอถึงประตูนิพพานก็เดินเข้าไปเลยไม่ต้องไปอยากเข้าแต่ถ้ายังไม่ไปถึงประตูนิพพานก็ต้องอยากไปนิพพานก่อนหมดแล้วเหรอโอเคอันนั้นก็ส่วนใหญ่เราไม่ต้องกังวลถึงขั้นนั้นหรอกขอให้ตอนนี้อยากไปนิพพานยังทอน อย่าไปอยากมีลูกมีแฟนมีครอบครัวอย่าไปอยากร่ำอยากรวยเปลี่ยนมาเป็นอยากไปนิพพานกันดีกว่าจะได้มาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วพอปฏิบัติไปถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องไปอยากแล้วเพราะอยากมันก็ไม่เข้าแล้วต้องเดินเข้าไปพอถึงประตูนิพพานแล้วต้องเดินเข้าไปเลยอย่าไปยืนอยากอยากเข้านิพพานอยากเข้านิพพานมันก็ไม่พาเราเข้าไปอีกโอเคนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา